ยิเมโคปนายาตสมัมมโตดเวนวมติปากิติยาธรมมาอุดเดซังอาเกฉันเตสัมปัญนามุซาวาเดปากิติยังโอมาสวาเดปากิติยังพิขุเปสุเญปากิติยังโยปณะพิขุอนุปสัสมปนังปะดะโซธรรมมังวาเจยะปากิติยัง โยปนภิกุอนุปัสัมปเนนะอุตริวิรัตจิระตังสหเซยังกเปยะปาจิติยังโยปนภิกุมาตุกาเมนสหเซยังกเปยะปาจิติยังโยปนะพิกุมาตุกะมัสสะอุตริจปนจัปปัจจ اه ิธรรมังเดเสยะอญญะตรวิญญโอนาปุริสะวิเกเหนะปาจิติยัง โยปนะพิกุอนุปสัมปนะสอุตริมนุสธรรมังอารโยเจยยภูตัดเม็งป่าจิตติยังโยปนะพิกุพิกุสะรุ่นทุนลังอาปติังนุปัสสัมปนะสอารโยเจยยอัญตราภิกุสัมะติยาปาจิตติยังโยปนะพิกุปัฐานวิ่งขณะยิวาคนาะปิยวาปาจิตติยังโมชาวาดะโกปัรมโม ภูตกามะปาตบียตายะปากิตติยังหันย่ว่าเดเกเวเฮเสเกปากิตติยังอุชาปนเกขี่ยนเกปากิติยังโยปนะพิคุสรังขีกังมันจังวาปีทังว่าผิดสิ่งว่าโกดชังว่าอโโชกาเซสันทริตตวาวาสันธราเปตตวาวาตังปะกะมันโตเนวะอุทธเรยะนาอุทธราเปยะนาปุชังว่าเกชยญปาจิตติยัง โยปนาพิกุสริกเกวิหาเรเสยังสันทริตตวาวาสันตราเปตวาวาตั้งปะกะมันโตเนวะอุทธเรยาอุทัราเปยอนาปุชังวาเกชัยยปาจิติยังโยปนาพิกุสริกเกวิฮาเรจานังปุบูปกตังปิกุงอนุปขัดยะเสยังกะเปยยายะสะสัมบาตโธภวิสติโสปกมิสติติเเอตเดวะปเจยังกริตวาอนันยองปาจิติยัง โยปะณภิกขุภิกขุงกุภิตัวอนัตตมโนสร้างขิกาวิหารานิกเทวะนิกถาปเยาวะปายจิติยังโยปะณภิกขุสร้างขีเกวิหะเรอุปริเวหาสโกุตัญญาอาหัจจะปาะดังมันจังวาปีทั้งวาอภินิสีเดวะอภินิปัเจวะปายจิตติยัง มหัลลกัมปนาภิกุณาวิหารังคาริยะมาเนนะยาวะดวารโกสาอักลทัปัญญาอโลกสันทิปริกรมายะติวิจิตรานาสะปริยาอย่างอภาริเตติเตนะอธทิภาคตัมบังเตโตเจอุตริงอภาริเตปิไตโตอธิตถะหฮยยปาจิติยังโยปนาภิกขุจานังสัปปานอกังอุดังตินังวามัติกังวาสิณเจยวาสิณจาเปยวาปาจิติยัง ภูต伽มาบังโถดตจิโยโยปนภพิคุอัตตมัโตพิขุนิโยโอวะเดยาปาจิตติยังตัมมโตปิเกพิคุอัทั้งกะเตสุริเยพิคุนิโยโอวะเดยาปาจิตติยังโยปนภพิคุภิคุนูปัสยังอุปสสังกามิตวาพิคุนิโยโอวะเดยอัญญตรสมิยาปาจิตติยังกะท่ายังสมิโย ยิ่ลานาโหติภิกขุนีอยังตถาสมัยโยโยปนภิกขุเอวังวเดยาามิจะให้ตูภิกขุภิกขุนิโยโอวัตันตีติปาจิตติยังโยปะภิกขุอัญญาติกาจักภิกขุนิยาจีวังรังเดเดยาัญญตระปาริวัตปาปาจิตติยัง โยปะณะภิกข u ัญญาติกายะภิกุ u นิยากีวรังสิบเบยาวิสิบบาปิยะวาปาจิตติยังโยปะณะภิกข u ภิกข u นิยาสะถิงสังวิทาญะเอกขถานะบะกลงปัตติปเจยะอันตมัโซกามันตรัมปีัญญัตราสมยยาปาจิตติยังตถาหยังสมยโย สัทกรมนิโยโหติมังโสาสร้างกัสมัมโตสปะติภโยอาย่งตถาสมโยโยปนะภิคุภิคุนิยสทิงสร้างบิธายะเอกังนาวังอภิรูไหยะอุทธกามินิงวาอโธกามินิงวาอันยตราติริยันตรานายะปาจิตยัง โยปนาภิกขุจานังภิกุนีปริปาจิตังปิณละปาตังผุญเจยะอนัญตราปุเบกิหิตสมารำภาปาจิติยังโยปนาภิกขุภิกุนิยัสถิงเอโกเอกายะระหูนิสตจังกะเปยปาจิตติยังโอวานะบังโถตติโย อกิลานีนักพิกุนายเอโกอาวัสถาปินโลผุนดิตตโเบตโตเจอุตริงผุนเจียปาจิตยังกนเนะโภเจเนอัญยตระสมยาปาจิติยังตถาอย่างสมัยโยกิลานสมโยกีวระดานสมัยโยกิวระการะสมัยโยอัฐานกมณะสมัยโยนาวาภิรูหณะสมัยโยมหาสมโยสมณะพัตตะสมโยออยังตถาสมัยโย ปรัมปะราโผเจเนอัญญัตระสมัยาปะจิติยังตถายังสมโยกิรานสมัยโยกิวระดานสมัยโยกิวระการะสมัยโยอยังตถสมัยโยภิกขุงปเิบะกุลังกุปกตังปูเวหิวามันเทหิวาอภิหัตมปวาริยาอากังขาเนนะภิกขุนาดวิติปตาปูราปะติงเกใหตัมบาตโตเจอุตริงปติงกนเนียปะจิตติยัง ดวิติปตตพูเรปตังเกหิตตวะตะโตนิหะริตวาภิกขุหิสทถิ่งสังวิปะจิตตบังอยังตัฏฐามีจิโยปนะภิกขุพุทธวีปวาริโตอนาคตริตังขาดะนิยังวาโพญนิยังวาขาเดยาวาผลเจบาปาจิตตยัง โยปนาภิกขุภิกขุงพุตตาวิงปวาริตังอนาตริเตนะขาดเนเยนาวาโูจนีเยนาวาอภิหทมปวารียะหันดาภิกขุขาดวาปุญจวาติจานังอาซาดนาเปโขพุดตัชมิงปาจิตยัง โยปนาภิคุวิกาเลฆาดเนียังวาโผจเนียังวาฆาเดยาวาผุญเจยวาปาจิติยังโยปนาภิคุสนนิธิการะกังฆาดเนียังวาโผจเนียังวาฆาเดยาวาผุญเจยาวาปาจิติยังญาณิโคปนตานิปันไมตาโผจนานิเสียทีดังสปินะวณีตังเตลังมาถูกผ่านไมตังมัชโฌมังสังเคี๊รังดาทิ โยปะนาพิคุเอวะรูปานิปันไนิจโูจนาณิอกิลาโนอัตโนอัทธายวิญญาเปตตาผุนเจียปาจิติยังโยปะนาพิคุอดินนังมุขดวารังอาหารังอาหาเรยอันญะระอุดะกะดันตะโพนาปาจิตติยังโภจนาบโกจรตุโทอน โยปะณะภิกข e so u 阿เจลกัตสวาปริปาจกัตสวาปริปปาจิกายวาสหท่าฆาดเนียังวาโผเจเนียังวาดเดยยปาจิติยังโยปะณะภิกข u ภิกข u เอวังวะเดยะเอห้าวุโซกามังวานิกะมังวาปินดายะปวิสิสามาริตัสดาเปตตวาวาอาดาเปตตวาวาอุโยเจยะ กัจชาหุโซนเมตยาสติิงกัทวาณิสจาวาพาสุโหติเอกัจเจเมกัทวาณิสจาวาพาสุโหติติเอตเดวะปัจเจยังกฤตวาอนัญยงปาจิตยัง โยปะณภิกุสสะโพจเนกุเลอนนปะขจจะนิสจังกะเปยยปาจิติยังโยปะณภิกุมาตุกาเมนะสถิงระโหปติฉันเนอาสเนนิสจังกะเปยยปาจิติยังโยปะณภิกุมาตุกาเมนะสถิงเอโกเอกายระโหนิสจังกะเปยยปาจิติยังโยปะณภิกุนิมันติโตสะพัตโตสมาโนสั่นตังติคุงอนาปุชาปุเรผัดตังวา ปัชชาผัดตังวาคุเลสุจาริตังอาปเจยะัญญตราชัมยาปาจิตยังตถาอยังสมโยจีวระดานสมัยโยจีวระการาสมโยอย่งตถาสมโยอกิลาเนนะพิกุณาจาตุมาสปัจยะปวารณมาสาดิตับะัญญัตราปุณัปวารณายัอัญญัตระนิจักปวารณายักตโตเจอุตริงสาอดิเจยะปาจิติยัง โยปนาพิขุอุยตังเชนังดัชนายกเชยะอัญยตระตถทธารูปะปัจจะยาปาจิตติยังสิยาจตสาพิกคุโนโกลจิเดวัปัจจโยเสนังกามนายะดวิรัตติรัตังเตนะพิคุนาเสนนายะวสิตะบังตะโตเจอุตตริงวะเชยะปาจิตติยัง ดวิรัตจิรัตันเจภิกขุเสนายวัสมาโนอุโยทิกังวาบาลังวาเสนับยูหังวาอานิกระดัสนังวะกัชยปาจิติยังอะเจรคบะโกปัญจโม